พระพเจ้าอย่างคะกลับแล้วครับวันนี้คุณลุงบุญมีเห็นภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นภาพเทวดาครับเป็นภาพเทวดาคือภาพพระนิพพานนะคะครับทรงเครื่องสีอะไรคะสีขาวครับขาวใสนะคะครับกล่าบในมัสการท่านอย่างคะกลาบแล้วครับเมื่อกราบใกล้ใกพระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยเพราะวันนี้ข่าพระพุทธเจ้า จะท่องเที่ยวในด้านของนรกเปรตอสุรกายสยเดรัจฉานนะคะเพระ อ, องค์สมเด็จพระพิชิตามารได้ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้และเห็นตามความเป็นจริง น, นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าค่ะท่านให้พรไหมคะให้กราบให้พร น, นะคะกรา บ, รบนะรรการา น, นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเวลานี้คุณลุงเห็นใครมาอีกบ้างไหมคะ มีท่านพ่อครับท่านพ่อคือหลวงพ่อใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีใครอีกคะท่านปู่ท่านย่าท่านแม่มาพร้อมครับมาพร้อมนะคะครับเนื้อไข้กายเรามีเท่าจำนวนท่านทั้งหมดแล้วกราบท่านที่เท้าที่สะบาดท่านได้ไหมคะได้ครับวันนี้ท่านแต่งตัวสวยไหมคะสวยครับสวยมากนะคะครับนอกจากท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่แล้วดูรอบๆมาอีกไหมคะ นี่ครับมี่ครับท่านพ่อท่านแม่มาอีกเยอะไหมคะเยอะครับวันนี้ท่านจะช่วยเหลือเราเต็มที่นะคะคขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านปู่ท่านย่าและท่านพ่อท่านแม่ท่านเป็นประธานนะคะขอท่านพาคุณลุงไปนิพพานก่อนค่ะวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึงอย่างไรคะถึงแล้วครับถึงแล้ววันนี้เห็นวิมานท่านชัดดีไหมคะชัดครับชัดดีนะคะสว่างสไสวดีนะคะครับ ขอท่านพ่อท่านแม่พาเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะได้รกราบกราบนมัสการใกล้ๆพระบาทองค์สมเด็จพระบรมโลกนาชองค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีอารมณ์ผิดของใสเป็นที่สุดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในด้านของนรกในวันนี้ขอองค์สมเด็จพระจินดารสีช่วยรู้และเห็นชัดๆด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ แล้วก็กราบนมัส ก, การท่านกราบแล้วต่อไปกราบนมัส ก, การพระอรหันต์ที่นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยการนึกให้อธิสมานกายของเรามีจํานวนท่านทั้งหมดกราบท่านบนตัก ไ, ได้ไหมคะได้ค่ะขอบา ร, รมีพระพุทธองค์ช่วยนะคะต่อไปขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาคุณลงมายัางทางสี่แพร่ง ที่ออกจากโลกมนุษย์ไปทางทิศตะวันออกถึงหรือยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วทางที่ออกจากโลกเราไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นยังไงคะทางนั้นทางนั้นเะเ้าหน่อยมองดูโลกเรามันเศร้าแต่ทางที่ไปเป็นยังไงอ๋อทางที่ไปขาวครับขาวเป็นอะไรคะเป็นเพชรครับเป็นเพชรเลยนะคะครับ คุณลุงหันหน้าจากโลกเราไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะครับมีเทวดาตรงนั้นสักองไหมคะมีครับท่านชื่อเทวดาอะไรนะคะถามท่านชื่อเทวดาอินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ยกมือไหว้ท่านในอยังไหว้แล้วครับยินไหมคะเยินครับขออนุญาตเพราะว่าท่านจะอยู่ที่ทางตรงนี้นะคะตรงทางแพรงเนี่ยนะคะคุณลุงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะทางด้านซ้ายมือ ของพุณลุงนะค ะ, คะถามท่านเทวดาอินทิก้ซ้ายมือนี่ไปทางไหนคะไปพระวันไปสวรรค์ น, นะคะขึ้นปัจจุรามนีใช่ไหมคะนัะ่นเป็นทางขึ้นเขาเพาสุเมนลักษณะทางสวยไหมคะสวยครับสวยนะคะผ่องายขวามือจะมีลักษณะทางทันหน่อยไปไหนคะถามท่านเทวดาอินไปนิพพานครับไปนิพพานต้องผ่านพรมโลกด้วยเปล่าคะผ่านครับไป น, นะคะไปพรมโลกก่อนนะคะ เลยพร ม, มโลกชั้นสิบหกขึ้นไปจึงจะเป็นนิพันธ์นะคะครับดูทางตรงไปข้างหน้าลักษณะทางเป็นไงคะชั้นลงหน่อยชั้นลงคือลาดต่ําลงใช่ไหมคครับครั บ, รบมองไปสิคะถามท่านเท ว, วดาอินสิคะลักษณะทางข้างหน้าที่ไปนะไปไหนคะเปน็ปนนรกเป็นนรกนะคะคคขอท่านชี้ดูว่าสภาพของนรกสี่ร้อยกว่าขุมเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนขอดูภาพไกลๆชัดๆ โอ้กว้างมากครับกว้างมากนะคะมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมาไหมคะม่ครับมีเปลวไฟพุ่งขึ้นมานะคะอันนี้รู้จักทางแล้วนะคะต่อไปกราบลาท่านเทวดาอินเวลานี้สมเด็จพระสมมาชมพุทธเจ้าประทับเป็นประธานอยู่ด้วยหรือเปล่าคะอยู่ครับอยู่ท่านพ่อท่านแม่ก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับขอท่านได้โปรดสงเคราะห์พาคุณลุงบุญมีเนี่ยนะครับไปสํานักงานของพยายมราชซึ่งอยู่ปลายเขตสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช เลี้ยวซ้ายขึ้นมาขึ้นทางเป็นเขตสวรรค์ชั้นจ่าตุมหาราชพบเท้ามหาราชบ้างไหมคะพบครับสี่องค่ะคุณลหลวงเห็นทั้งสี่องค์ผมเห็นหลายองค์ครับหลายองค์นะสี่องค์ที่ใหญ่ๆที่สุดมีไหมครับกราบเมียกราบนรมาสการท่านในฐานะที่เราผ่านเขตของท่านนะคะขอพรขอบา ร, รมีท่านช่วยไปสํานักพญาโยมกับเราด้วยท่านจะไปไหมคะ ไปันไปด้วยนะคะเอาไปละไปสำนักพยายมอยู่ปลายเขตสวรรค์ท่านนี้พอดีถึงยังคะสำนักงานพยายมราชที่คุณลุงบุญมีเห็นเป็นยังไงคะสวยครับขาวขาวสวยนะคะคเข้าไปข้างในมีที่กว้างไหมคะกว้างครับพยายมราชอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางท่านนั่งหรือว่ายืนเวลานี้นั่งครับนั่งอยู่มีแท่นไหมคะมีครับ เข้าไปกราบใกล้ๆเท้าท่านกราบที่เท้าท่านเลยพญายมราชที่คุณลุงเห็นวันนี้แต่งองค์เป็นยังไงคะแต่งองค์สีขาวค่ะบสีขาวสวยไหมคะสวยครับเครื่องแบบอย่างนี้เครื่องแบบแบบไหนท่านเนี่ยเครื่เครื่องแบบนิพานครับนิพานเลยเหรอคะครับเครื่องแบบขาวพร่องเลยขาวพร่องเลยนะคะประดับเพชร เหมือนเทวดานะคะคสําหรับถ้าเครื่องแบบขาวมีประกายอย่างนี้ถามท่านพญาโยมาราชสิคะว่าท่านเป็นพระอาเลียเจ้าแล้วหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วทึงได้มีประกายอย่างนี้นะคะคสําหรับพญาโยมาราชองค์เนี้ยท่านจะไปนิพพานอยู่แล้วด้วยอาศัยความเมตตาปราณีในบุคคลนะคะท่านก็เลยมาตั้งสํานักงานช่วยเหลือคนที่มีความดีพอ อยู่บ้างนะคะอยู่ที่นี่แต่งตัวสวยใช่ไหมคะเนื้อท่านใสไหมใสครับอันนี้เป็นลักษณะของพรมนะคะพยาโยมราชเนี่ยในอดีตท่านเคยเป็นพี่ชายหลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นลุงของเราใช่ครับที่หลวงพ่อเรียกแทนลูกๆว่าลุงพุทธเนี่ยรู้จักไหมคะครับแต่หน้าท่านแก่ไหมไม่แก่ฮันโหนุ่มสวยไหมคะสวยครับยิ้มไหมคะยิ้มยิ้มนะคะพญาโยมราชดูท่านนายบัญชีสองข้างมีไหมคะ แต่งตัวเป็นไงท่านนายบัญชีกราบท่านสะก่อนก็แต่งตัวเป็นเทวดามันแต่งตัวแบบเทวดานะคะแต่เนื้อท่านใสไหมใสใสแต่ใสน้อยหน่อยใสน้อยกวพญาโยมาร่าหรือคะครับอ่าแต่องค์นี้ก็แต่งตัวแบบพรหมหรือแบบเทวดาแน่ถ้าเนื้อใสใสแบบเนี้ยแบบพรหมอะแบบพรหมนะสีอะไรคะ สีขาวกับสีขาวนะคะวันนี้เต็มที่เลยนะคะคทายายา่านพญายมราชก็สว่างเต็มที่แสดงว่าท่านจะสงเคราะห์ลุงนะคะคอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านทั้งหมดท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลเรื่องหลังนะคะเป็นรประโยชน์กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปวันนี้เราจะเที่ยวนรกกันนะคะขอท่านพญายรมาราชท่านโปรดสงเคราะห์พาไปด้วยเนี่ยท่านจะขัดข้องไหมคะท่านยกมือครับยกมือแสดงว่าท่านท่านอนุ ญ, ญาตท่านไปกับเราด้วยนะคะครับครับ สำหรับเรื่องนรกเนี่ยนะคะทั้งหมดมีสี่ร้อยกว่าขุมมีนรกพิเศษจุดหนึ่งขุมคือโลกันตนานรกนะคะเพราบรมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยด้วยท่านปู่ท่านย่าก็มาด้วยใช่ไหมคะมาด้วยข อ, ขอพยาโ ย, ยมราชท่านพาไปดูนรกขุมพิเศษที่มีชื่อว่าโลกันตนรกไปเลยค่ะถึงยังคะ ถ, งถึงแล้วสภาพของโลกันตนานรกเป็นยังไงสัตว์นรกในนั้น เห็นพองมองเห็นสัตว์นรกไหมคะเห็นครับเห็นนะคะอันนี้มันลักษณะมันเป็นถ้าใช่ไหมใช่ครับเป็นถ้ำนะคะสัตว์นรกกําลังทําอะไรอยู่ดูภาพโอกําลังงวงเงี้ยอะไรงวงเงี้ยมันไต่อะไรอยู่ไหม ครับเหมือนไตภูเขาใช่ไหมคะใช่ครับไอ้งวงเงียนะเพราะว่าสันนกตัวนี้มันมืดนะคะใช่ครับแต่ว่าเวลานี้เราอาศัยบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงสว่างจากพระองค์ส่องไปช่วยนะคะครับสว่างครับสว่างมองเห็นถนัดอ่ามองเห็นสัรนิกถนัดไม่งั้นมันจะมืดนะคะก็ที่ว่างวงเงียเพราะมันมองมันไม่เห็นกันใช่ใชสันนกมองไม่เห็นกันแต่เราเห็นละมันกาลังไต่อยู่ข้างเขาใช่ไหคะครับไอ้เขาน่นมันก็คมบาดนะเมื่อมันงวงเงียไปเจอกันมันทําไงอะ ถ้าเกไปเจอสารนรกด้วยกันมันทำไงมาจับมือกันจับมือกันจับมือหรือมันจิกจับมือกันมันเอาเล็บจิกมันไม่จับมือกันแล้วจิบกินเลยอ่ะอ๋ออ๋ออใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเลยมีสภาพเหมือนปลั่มันใช่นะคะอ่านันแหละมันเจอกันมันหิวอ่ะมันก็จิกกินมันรู้แหละมันนึกว่าอาหารนั่นแหะ เป็นแร่ที่มีหล่นลงไปจากภูเขามีไหมคะไม่ครับมีนะมีอะไรอยู่ข้างล่างคะโอ้มีหอกมีฝอยมีรับอยู่ข้างล่างที่เป็นของเหลวมีไหมคะมีนั่นน่ะเป็นน้ํากรดนะคะออเป็นน้ํากรดที่เย็นจัดนะคะสัตว์นรกตกลงไปทั้งหอกรับอยู่ข้างล่างด้วยนะคะใช่ทั้งน้ํากรดที่เหมือนน้ากรดเห็นภาพนะคะเหครับแล้วตกลงไปแล้วสัา์นรกเป็นไงคะ เปื่อยเปื่อยเปือเป่อยแล้วก็แล้วก็กลับมาเป็นตัวอีกกลับเป็นตัวอีกไต่ขึ้นมาบนภูเขากลับเปาะขึ้นมาอีกแล้วภูเขานี่ก็บาดเลยนะเมียก็จะนั้นนรลลกขุมนี้สําหรับคนใจเย็นเป็นนรกขุมที่มีความเย็นจัดนะค ะ, ะน้ำกรดที่เย็นจัดประเภทนี้ท่านทยาโยมราชอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทูลถามท่านสิว่าคนที่จะมาตกนรกขุมเนี้ยทําความชั่วอะไรคะคะ โอ้ท่านบอกว่าพวกนี้นะฮะส่วนมากก็เป็นปราชิกปราชิกปลาชิกนะลงมานี่เลยนะคะหนึ่งละพวกปลาชิกมานี่สองพวกไห น, นอีกคะฆ่าพระฆ่าเนอฆ่าพระนี่หมายถึงทำร้ายพระพระอะไรย์ใช่ใช่ใชะคะฆ่าพระฆ่าแนร โอ้ไอพวกในใจเอามาเหตุเหมือนกันอใจมาเหตุฆาพ่อฆ่าแม่ใช่ครับทำร้ายจะตัองจะตั้งพ่อแม่มันก็ฆ่าอืไม่่ไหวแล้วพวกเนี้ยก็ถึงไม่มาอยู่โลกันไงคะแล้วก็ทํายุสงให้แตกแยกกันทําสังฆเภศใช่ครับคสําหรับศีลห้าข้อนะถ้าละเมิดได้เปอาินตะมเป็นอาชินตกรรมทุกข้อเลยใช่ครับหมดเลยนี่มาอยู่โลกัน อายุเท่าไหร่คะโลกันเนี่ยทุล ถ, ถามท่านพญายโยมร马拉สิคะโอ้โหนานครับนับไม่ถ้วนนะคะครับนับกลับไม่ถ้วนใช่ครับนะทําความชั่วเป็นอนันตาริยกรรมหมายถึงความชั่วมหาศาลนะคะครับเอาละสาหรับนรกโลกันเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งค่ะคุณลุงขอท่านพญา ย, ยม马拉ท่านพาไปด้านนี้มันเย็นจัดเป็นน้ากรดนะคะคขอไปดูอีกด้านหนึ่งคะ่ะเพื่อพ้นจากที่เย็นจัดแล้วสัตว์นรกจะไปโปรยด้านนั้น่ะทนี้มันจะร้อน เห็นไหมคะเห็นครับเห็นนะคะมันมีคันเหมือนกั้นกั้นอยู่นะคะครับครับแล้วอีกด้านหนึ่งมันเป็นร้อนจัดจากเย็นจัดไปสู่ร้อนจัดเลยสันนลกมันจะข้ามไปจุดนั้นน่ะเห็นภาพไหมคะแหนครับแล้วทีนี้ร่างกายสัรนลกไปไงพอไปสู่ที่ร้อนจัดจากเย็นจัดโอ้โหทีนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับไม่เหลือแล้วนะครับเป็นคุยเลยนะโอ้แต่บรรไดไหมคะไม่ตายแต่ตายแล้วก็เรียกว่ากลับมาอีกอ่าเรียกว่ากลับมาอีกนะ ก็ทรมานอยู่อย่างเนี้ยนะคะครับกลาบทูลถามท่านพญาโยมราชเมื่อพ้นจากโลกันตะนะโลกแล้วสัตว์นรกเหล่านี้จะไปเริ่มต้นที่ไหนอีกนะคะต้นเชไปเวจีครับถูกต้องแล้วไปอเวจีต่อไปอีกนะคะครั บ, รบเอาละก็กลาบนมักสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพ้นจากโลกันตนรกก็ไปตั้งต้นเอเวจีมหานรกใหม่นะคะใช่ครั บ, รบทีนี้เราก็ไปดูนรกขุมใหญ่กันล่ะ นรกขุมใหญ่เนี่ยมีอยู่แปดขุมด้วยกันนะคะเอเวจี G. มหานรกเนี่ยเป็นขุมสุดท้ายเราก็ไปดูขุมที่หนึ่งซะก่อนดีนะคะไล่ไปทีละขุมนะคะน่ ะ, ะนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าสันชีพระนรกขอบารมีพระพุทธเจ้าขอเป็นพ่อท่านแม่และพญาโยมราชท่านช่วยพาไปดูนรกขุมใหญ่ซึ่งเรียกว่ามหานรกทั้งหมดนะคะแปดขุมเนี่ยนะคะสันชีพระนรก ขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะถึงอย่างคะ่ะถึงแล้วค่ะสภาพเป็นไงคะสันติพันนรกสัตว์นรกถูกทรมานยังไงคะโอ้ยอืมอือืออออมีอะไรเป็นเครื่องทรมานคะมีไฟครับไฟท่วมนะคะคมีกําแพงสีด้านเป็นขมละ่ะใช่นอกจากไฟแนละ้วดูสิคะมีอาวุธบ้างไหมมีอาวุธประเภทไหนบ้างคะ โอ้โหพวกหอหอกแล้วก็เขาเรียกอะไรฉมวกใช่ไหมครับเอาวฉมวกเหรอะคะครับ ม, มีค้อนไหมมีทุกหัวครับอืมทุกทํางานในอัตโนมัติยังไงอาวุธพวกนี้ใช่ครับทํางานในอัตโมัติทุกบ้างเลื้อยบ้างตีบ้างแทงแทงบ้า ง, งทิมบ้างสุดแท้แต่ไฟก็ท่วมทั่วไปครับอ่นายในพยาบาลมีไหมคะมีครับมีครับจะพวกนี้ก็ทําหน้าที่อะไรนายในพยาบาลหน้าที่คอยดูแลแล้วก็คอย พอดีละดูแลยังไงคะใช้อะไรดูแลโอ oh oh oh. มันถืออะไรด้วยนารีบานถือหอกปะถือหอกเอาหอกมาคอยดูแลไม่ให้ออกนอกกองไฟไใช่ไหใช่ใช่ใช่คอยทิ่มใส่เข้าไปใช่ไมครัครับครับต้องช่วยมันจะออกนอกไม่ได้อะมันคอยจุนเข้าไปเรื่อยอ่านะคอยจุนคือค่อยทิ้มคอยแทงเข้าไว้นะคะครับนานนยรีบานนี่มันเดินสบายใช่ไหมใช่ครับตัวโยงโยงโยงเขาไม่ร้อนในด้วยกดของกำนะคะในจักรกพวกนี้มันตายไหม ตายตายเกิดๆกิดตายตายความว่าถูกแล้วมันก็ไม่มไม่มีการตายเนื่อมันก็รวมันื้อื้อมาใหม่มถูกไฟเผาทั้งร้อนทั้งแสบสาหรับสันทีพระนรกเนี่ยมีอายุห้าร้อยปีนรกนะคะระยะเวลาหนึ่งปีของนรกกับมนุษย์ก็ไม่เท่ากันเวลาในเมืองมนุษย์นับเป็นร้อยล้านปีนะนับเป็นร้อย้อยล้านปีจึงจะได้หนึ่งหนึ่งวันของนรกเขาแล้วก็ สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเเดือนเป็นหนึ่งปีก็คูนเอาเองก็แล้วกันนะคะก<ช>็ติดอยู่นานนะคะรนรกขุมใหญ่สันทีพระโนรกในฐานท่นานพญาโยมราชเาเจ้าว่าทําความชั่วอะไรคะจึงต้องมาตกนรกขมนี้ขอดูภาพหนเลยทำความชั่วประเภทไหนคะออกิ่งข้อไหนพวกนี้เบาหน่อยอเบาหน่อยเบาหน่อยขุมที่หนึ่งอ่าเบาหน่อยทำความชั่วกี่อะไรคะถึงจะมีอาวุธสับฟันประเภทเนี้ย มีไอ้พอกนี้ก็มีผิดศีลข้อไหนคะข้อมุสาข้อรวมกันอยู่นะคะครับปานามีไหมไม่นั่นละคุมเนี่ยขาดเมตตาใช่ไหมคะครับาดสัตว์ีวิตนะพวกมุสาก็รวมอยู่ด้วยใช่ครับจงประมากแล้วถ้ามันผิดข้อหนึ่งข้ออื่นมันก็เอาไว้ด้วยนะคะใ่ครับมีการทรมานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพวกขาดเมตตานะคะ คนอล้คนนี้มาอยู่นี่ไอคอนทุบหัวนี่เรากคมจะเคยทุบหัวป่ามั้งนั่นสินั่นสิเนี่ยปานาทิบาโอทุบหัวป่าไม่นไม่ทุบแต่หัวป่าวะทุบอะไรเนี่ยพวกหัวคนมันก็ทุบอ่ะเออเออเออไอ้พวกนี้แปลกไม่ไม่แปลกอ่ะมันใจร้ายอ่ะครับครับครับขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณลุงทําใจสบายๆนะคะ ขอท่านพ่อท่านแม่และท่านพญาโยมราชช่วยว่าในอนดีตเนี่ยคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์นรกขุมนี้บ้างไหมถ้าเคยมีกี่ชาติเจ้าค่ะมีภาพปรากฏไหมคะมีครับมีนะคะหลายชาติไหมคะไม่มากไม่มากไม่มากนะคะคเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันอยุ่ให้เราระยะร้อยระยะร้อยนะคะครับขอดูภาพว่าข้าพระพุทธเจ้าทําความชั่วอะไรก็เจ้าค่ะจึงได้มาตกนรกขุมนี้ ทำความชั่วผิดศิลป์ปานาติบาค่าอะไรคะค่าสัตว์ค่าสัตว์ค่าเออคนเอาไหมเอาเอาเป็นนักรบหรือเปล่าเป็นครับอา่าเป็นทหารอ่ะเป็นทหารนะคะผมเป็นหัวหน้าทหารด้วยอ่าว่าไงเออไว้มันจําเป็นจะต้องลบลาข้าพันมันก็ต้อง เอากันแพ้ชนะเออแลราเลยมาตกนรกซะเองครับขอดูภาพดิว่าในชาตินั้นของคุณลุงที่มาตกนรกมานะคะครับขอดูภาพว่าตกนรกเต็มอายุหรือว่าไม่ถึงมีลดหย่อนมีลดหย่อนใช่ไหมคะครั บ, รบมีลดหย่อน ค, คืออายุเขาห้าร้อยปีนรกอแต่คุณลุงตกไม่ถึงเขานะคะครับไม่ถึงที่นะมีการลดหย่อนนะเพราะมีความดีเรื่องอะไรคะขอดูภาพเลย ป้องกันประเทศชาติหนึ่งล ะ, ละการป้องกันประเทศชาติเป็นความเมตตากับคนเบื้องหลังใช่ไหมคะครับตรูที่จะมาลกรันเรายอมตายเพื่อให้คนอื่นเขาเป็นสุขใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยเป็นความเมตตาของเรานะคะอันนี้ก็มีการลดหย่อนให้ตรงนี้เต็มนะคะนอกจากนี้คุณลุงลองดูที่เขาว่ายามว่างจากการรบเนี่ยนักรบทั้งหลายเนี่ยมีการทําบุญพื้นฐานบ้างไหมทําทำทำ มีภาพใช่ไหมคะครับมีภาพครับมีภาพทำบุญใช่ไหมคะครเพราะฉะนั้นเมื่อหลังจากรบแล้วเราก็มีการทําบุญส่วนนี้เป็นความดีค่ะนะคะทําให้การตกนรกมันไม่เต็มอายุใช่ไมคะใชครมีการลดหย่อนนะครับดูภาพต่อไปเลยค่ะเมื่อคุณลุงอยู่ไม่เต็มนะคะจะออกจากนรกขุมที่หนึ่งแล้วไปไหนคะเมื่อพ้นจากนรกขุมที่หนึ่งแล้วไปไหนถ้าดูภาพนะคะ เพิ่งมาเปดครับมาเปรตเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอยงั้นก็ไม่พันเนอะลูกบริวารนะคะไม่ไม่ไปครับไม่ไปอมาเป็นเปรตนี่ตอนมาเป็นเปรตเนี่ยขอดูภาพสิคะว่าเศษของกรรมในเรื่องอะไรจึงได้มาต้องมาเป็นเปรตเศษของกรรมในเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่กับปฏิบัติหน้าที่เป็นไงคะบางครั้งมีบ้างไงมว่าที่โมโหโทโส นี่นี่ทำอะไรด้วยกันแกล้งแกล้งมีไหคะนี่อย่างงั้นมาเป็นเปรตนะคะเป็นเบาหน่อยใช่ไหมคะเบาหน่อยเบาหน่อยนะคะเป็นเปรตอยู่นานไหมคะดูภาพนี้ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นะคะพอพ้นจากเปรตขอดูภาพด้วยครูลุงเมื่อพ้นจากเปรตแล้วมาเป็นอะไรคะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยคะครับเป็นสัตว์ประเภทไหนดูภาพขอดูภาพเลยผมเป็นชนียะ อ่าเจอแล้วเจอเป็นชนีแล้วก็เป็นชนีนะคะอ่าตัวเล็กๆ อ, อ่าเป็นชนีอยู่นานไหมคะหลายชาตินะคะไม่นานครับไม่นานพ้นจากชนีขอดูภาพต่อไปเลยคะ่ะคุณลุงไปเป็นอะไรคะมาเป็นมนุษย์โอ้มาเป็นมนุษย์เลยค่ะข้ามขั้นไปเยอะอสุรากายก็ไม่ได้เป็ น, นะะไม่ไม่ไม่มาเป็นมนุษย์เลยนะคะตอนเป็นมนุษย์เพิ่งพ้นจากชนีมาเนี่ยตอนเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นยังดูสภาพเลยค่ะ ร่างกายสมบูรณ์ดีหรือว่ายังผอมอยู่ยังผอมอยู่ครับครฐานะฐานะก็ยังจากจนยังยากจนอยู่นะคะอวัยวะสามสิบสองครบไครบกับครบนะคะนี่อาศัยส่วนบุญที่เราเคยทําเอาไว้นะคะเราก็มาเป็นคนได้ตอนแรกก็ยังไม่ดีตอนหลังๆค่อยๆดีขึ้นเพราะผลบุญมันให้ใช่ไหมคะเอาแล้วอันนี้เราไล่เบียยขึ้นมาตามลําดับต่อไปก็ นึกถึงบรารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงบรารมีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านยา่าทัานอยู่ด้วยใช่ไหมคะค่ะท่านพญาโยมาราด้วยขอดูภาพของสัตว์นรกในขุมที่สองสัตวนรกคุมใหญ่คุ้มที่สองมีชื่อว่ากาลปุตตะนรกขอดูสภาพของสัตว์นรกในนั้นตามความเป็นจริงไหมเจ้าคะ่ะถึงอะไงคะถึงละครับความรู้สึกของใจนะคะความร้อน ของกลุ่มนรกกลุ่มที่สองนี่ร้อนมากหรือน้อยกว่ากลุ่มที่หนึ่งโอ้ร้อนมากกว่าครับถกต้อร้อนมากกว่าอายุก็มากกว่าด้วยนะ ค, ะครับสำหรับกลุ่มที่สองนี่หนึ่งพันปีนรกดูสิครัสัตว์นรกถูกทรมายุอย่างไรงนั่งหรือมันนอนอมันนอนอยู่อ่าถูกแล้วจับนอนใช่ไหมคะครับเพราะจับนอนแล้วดูที่นาริบายเขามีอะไรมาตีเส้นไหมไม่ครับเหมือนอะไรเหมือนเหล็กนะโอ้โหคอน เหล็กแดงนะครับนี่ก็วันทุกข่คอยคยทุบไว้นะคอ้เหล็กแดงเนี่ยดีตีเส้นเป๊ะลงไปใช่บนร่างกายสารกเสร็จแล้วเอาค้อนมาทําอะไรทุบทุบมีเลื่อยไหมมีเลื่อยมันตามกลางตัวนั่นแหละนะครับครับมีขวานจามไหมมีบนพื้นทั่วทั่วไปเป็นเหล็กมีร้อนคือร้อนหรือเปล่าร้อนครับร้อนท่วมนี่นะก็เลื่อยไปเอาขวานจามไปเนี่ย นี่กาลปุตตะนรกถามท่านพญาโยมราชสิข่าวัดทําความชั่วอะไรพี่เจ้าค่ะจึงได้มาตกนรกอย่างนี้อืมพวกนี้เขาทำความชั่วในเรื่องใจอมาเหตมากอ่ใจอมมาเหตใช่ไหมคะใจอมาเหตก็คือความโหดร้ายขาดความเมตตาปานีนรกทางนั้นนะคะครับโดยเฉพาะพวกนี้พวกโกงที่ดินด้วยใช่ครับใช่ครับอพวกโกงที่ดินโองทุกอย่างอ เรียกอันไหนจะได้เอาหมดอืมขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยมาตกนรกขกุมนี้บ้างไหมคะมีมีมีมี ม, มีหลายชาติไหมคะไม่มากครับไม่มากนะคะคขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงทําอะไรจึงได้มาตกนรกขุมนี้ก่งเขากงเขานะคะคตกอยู่นานไหมคะไม่นานครับไม่นานเท่าไหร่เมื่อพ้นจากนรกขุมนี้แล้วคุณลุงไปไหนต่อคะมา มามามาหลุมต่อมานี้ยหลุมต่อมาลุมที่หนึ่งมาหลุมที่หนึ่งครับก่อนจะเข้าคุมที่หนึ่งผ่านบริวารไหมผ่านหน่อยหนึ่งผ่านหน่อยหนึ่งผ่านไม่ครบใช่ไหมคะใช่ครับนรกบริวารสี่คุณที่ผ่านก็สี่คุมผมผ่านมาสองคุณนั่นแหละถูกถูกแล้วผ่านสองุมนะคะแลยมาโลกนรกผ่านคะไหนอ่รบุแล้วยมโลกนี้นกผ่านหคะพอผ่านนรกบริวารุแล้วไปยมโลกนีนหคะพอผ่านรกบริวาสองแล้วยมมาโลกนี้นรกผ่านไหคะพอผ่านนกบริวาคุ มามาลมใหญ่เอ๊ะมาหล่มนี่หลมหลมต้นนี้ครับหล่ที่หนึ่งใช่ไหมคะคอ่าเอาละใช้ได้อันนี้ก็หมายความว่าความชั่วของเรามันไม่เต็มมาตราก็มีการเว้นบ้างต่อไปนระกขุมใหญ่ขุมที่สามนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นภาพใช่ไหมคะใช่ครับใ่ไหะจับพระพุทธเจ้าวไว้ขอพยาโยมราช ท, ท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยด้วยขอพาไปดูนระกขุมใหญ่ขุมที่สามที่มีชื่อว่าสังนะคาตะนรกถึงยังคะ ถึงแล้วค่ะดูเปลวไฟความร้อนเป็นไงคะโอ้ความรอไไ้ อ, มรอนจัดกว่าเมื่อกี้นี่ครับมากขึ้นกว่านะคะมีอายุสองพันปีนรกสภาพของสัตว์นรกนี่ดูลักษณะสิคะมันถูกทรมานยังไงโอ้พวกนี้ก็นอนเหมือนกันนอนแล้วมีอะไรมาบทชี้ยี่ไหมตอนนอนลงไปอ่ะมี่นี่นี่ลักษณะเป็นไงคะโอ้โหเหล็กอะเหล็กเหล็กก้อนโตๆใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนภูเขาไหมครับ น, นั่นแหละภูเขานี่มันเขยื่อนที่ได้ป่ะ โอ้มันกิ้งไปกิ้งมาแระทับเอาอ่ะอ่าจิ้งไก่เพิ่งมาบทชยี้สัตว์นะคะใช่อแล้วมันตายไหมมันไม่มีการตายพอไอ้โลกกิ้งเลยไปมันก็กลับไป อ, ไอีกแล้วโลกกิ้งมันภูเขาไอ้ภูเขานี่มันใหญ่กว่าโลกมันรู้ทั้งโลกอีกนะคะค่ใอ่นี่บทช so ยี้สัตว์ความร้อนมันก็เผานะคะ <ด S 1> ภูเ<อ>ขาเหล็กมันก็ทับใท่ใช่ๆๆถามท่านพญายมราชที่โทษอะไรถึง ไ, ได้มาถูกทรมานอย่างนี้ โอยพวกนี้โทษหนักหน่อยโทษหนักประเภศไหนคะโอ้นชิงวิ่งลาวฆ่าเขามไม่พอใจก็ฆ่าเขาอเอาเท่าน้าหนักขึ้นครับขอดูภาพอีกทีว่าคุณลุงเคยมีโอกาสมาอยู่กลุ่มนี้บ้างเปล่าคะนี่ครับม <c oughs> ว้า <c oughs> ผอมเนี่ยหลายชาตินะคะเหลวแท้แท้หลายชาตินะคะอันนี้มันเป็นเรื่องอดีตไม่เป็นไร น้อยครั บ, น, รบน้อยนะคะครับขอบดูภาพที่คุณลุงทําอะไรค้จึงต้องมาทุกขา ร, รมานอย่างคุมนี้เพราะว่ฆ่าเขาฆ่าเขาเตะเขามันหนักขึ้นคมันหนักขึ้นนะคะเออนี่เราดูภาพเราจะได้ไม่ทําต่อไปนะคะต่อไปนรกขุมใหญ่กลุ่มที่สี่มีชื่อว่าโรรุวะมหานรกนึกถึงบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบา ร, รมีท่านปู่ท่านย่าและท่านพ่อท่านแม่และพญาโยมราษท่านช่วยเห็นภาพ ของสัตว์นรกที่ถูกทรมานในขุมที่สี่ยโลรุวะมหานรกแปลว่านรกที่มีเสียงร้องโขนคลางโอดโอยโหวยหวนั่นก็ตามใจนี้เห็นภาพสัตว์นรกหรือยังคะเห็นแล้วครับถูกทรมานยังไงคะโ อ, โ, ห โ, หโอ้โหอ้พวกนี้ล้มรกคุกคันเลยมันล้งลกุกคลุกคันอยู่ในอะไรดูทีนะอยู่ในโอ้โห อ, อยู่ในกล่องไฟกลองไฟนะคะคุณลุงเห็นมีดอกบวัวมั้งไหมคะมีมี ดอกบัวนั้นมันมีไฟปะไม่ครับมีไฟเป็นดอกบัวเหล็กนะคะเน่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าปทุมนรกคือนรกดอกบัวแต่มันเหมือนดอกบัวบ้านเราไหมคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนดันเป็นดอกบัวเหล็กไปด้วยแล้วก็ร้อนเลยเลยมองดูเหมือนกล่องไฟชาตินรกก็มาอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหเฟื่องเลยอยู่ในนั้นใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่ในดอกบัวอ่แล้วไอ้ดอกอยู่บ้างข้างนอกบ้างอ่าข้างนอกเปนมันร่วงลงมาครับครับถ้ามันร่วงลงมาแล้วทำไงนายนิติบัญญัติาไง นายอภก็ทุกซ้าอีกทุบซ้ำอีกเอาหอกจิ้มใส่ขึ้นมาใหม่ใช่ใช่นั่นนะคะในนั้นไอ้กลีบดอกบัวมันหนีบไหมหนีบครับหนีบก็จมหัวแค่ตาเอ๊ะท้าก็แค่ตาตุ่มหัวก็ถูกหนีบอยู่งั้นนะคะใช่บางทีหล่นลงมาเขานายอภายเ้าเอาจากจิ้มใส่ลงไปใหม่ใช่ก็ถูกหนีบอยู่งั้นความร้อนเป็นไงครับโอ้โหความร้อนเห็นหน้าดูเหมือนกันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งมากกว่าจัดเข้าไปอีกรู้รู้ว่ามาหานรกนี่มีอายุสี่พันปีนรก ถามท่านพญายมราชีเขะว่าทําความชั่วอะไรเจ้าค่ะสิ่งได้มาตกนรกขุมนี้โอ้โหขุมนี้มันหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกนะคะครับขาดเมตตาหนักเข้าไปอีกครับโดยมากแล้วเป็นพวกที่ขาดศีลประเภทไหนโอ้โหมันขาดทั้งหมดเลยแหลกหมดเลยนะคะคศีลห้าข้อนะครัเอาจะเรียบร้อยนะคะคไม่มีความเมตตาเลยขาดเมตตานะ ต่อไปนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโร ล, ลุวะมหานรกนะคะสำหรับ uh huh. นรกขุมที่ห้าก็พอดีเวลาหมดนะคะคุณลุงทำใจสบายๆนะคะ uh huh. ดูสภาพของสัตว์นรกในขุมที่ห้านี้ต่อไปประเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนหน้าเทพนิดนะคะ uh huh.